นี่พระยาเศรษฐีนี่ก็ไปเข้าไปเยี่ยมบอกคุณพี่เป็นอะไรไม่สบายหรือไปอ ไ, อไหนอ่นะก็ไล่ถามพระราชาเคร้ยวมาหรือบอกไม่ใช่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรไม่มีสักอย่างะนะคุยไปคุยมาพี่อยากทานอะไรหรือเปล่ากันะยิ้มเลยนะใช่ <c oughs> อยากทานขนมเนี่ยขนมเบื้องเนี่ยบอกเอางี้กันแล้วกันเดี๋ยวจะทำเลี้ยงคนทั้งซอยโอ้โหแม่น่าใหญ่ <c oughs> ถ้าเธอมีของเธอเธอก็ทําเลี้ยงไปสิไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเอางี้ก็แล้วกันเลี้ยงเฉพาะคนเรแวกบ้านเนี่ยนะหัวอะไรนะข้างหน้าข้างหลังเจ็บบ้านก็แล้วกันบริเวณโดยรอบวุ้ยใจกว้างขวางเหลือเกินเอางี้ก็แล้วกันทําเฉพาะเลี้ยงกับคนในบ้านเอาเขาเหล่านั้นไม่ได้อยากนี่เอางี้ฉันกับเธอสองคนก็แล้วกันเอาเธออยากด้วยเหรอ อา้อาวๆงั้นก็เลี้ยงคุณคนเดียวกันแล้วกันนะก็เลยไอความประหยัดก็ไปเอางามาหน่อยหนึ่งเอาเข้าวสารมาหน่อยหนึ่งเรียกว่าเตรียมแล้วก็บอกโอ้ถ้าจะทอดข้างล่างเดี๋ยวคนอื่นได้กลิ่นมาแย่งกันกินหมดก็เลยปางแผนนะโอ้โนนนองปราสาทชั้นเจ็ดนีแหละขึ้นไปบนบ้านชั้นเจ็ดตั้งกระทะเตรียมกระทะเตรียมอะไรเบ็ดเสร็จหมดเลยนะเตรียมจะทอดขนมเบื้องพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระมหาโมคขลานะว่าโมกขลานะ วันนี้เราจะฉันขนมเบื้องของกูซิยะเศรษฐีบ้างกันนะเนยาุตตาก็นั่งรออยู่ตรงนั้นแหละพระโมคคัลลานะก็รู้เลยว่าใ้่ไปโปรดนะเศรษฐีก็กำลังทอดอย่างดีพระโมคคัลลานะนี่ก็ไปยืนอยู่บนอากาศหน้าหน้าต่างกันแหละบอกว่าสมณะท่านไปเหอะฉันไม่ถวายท่านหรอกต่อให้ท่านบังหวนควันให้เต็มไปหมดนะก็ไม่ถวายท่านเออเอ อ, เ อ, องี้นนะต่อใหออ้มายืนอยู่ที่อากาศก่อนในชะ่ ต่อให้ท่านเดินก็ไม่ถวายพระโมคคลลนะก็เดิน่ปต่อให้ท่านนั่งก็ไม่ถวายต่อให้ท่านบังหวนขวันก็ไม่ถวายพระพระโมคคลลานะก็เลยบังหวนขวันให้ควันตลบไปหมดเลยทั้งบ้านเฮ้ยถ้าเราบอกว่าต่อให้ท่านพุ่งไฟเนี่ยไหม้บ้านไว้เพราะว่าแน่ก็เลยท่านนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวจะถวายท่านสักหน่อยก็แล้วกันทอดไปนี่ทอดสายบาดก่อนใครรัวกว่า like, หยอดแป้งไปนิดเดียวแต่มันก็บานเต็มกระทะนะแล้วก็เอาออกมาอุ้ยมันเปลืองเกินไป ให้พรรยาบอกนี่เธอเอาใส่น้อยเดียวก็พอแล้วล้ทอดแล้วมันก็เต็มกระทะอีกที่ทำยังไงก็เลยทําไปทํามาเนี่ยนะทอดอยู่อย่างนั้นจนหายหิวอ่ะครับมันมันก็เป็นเน่ยนะถ้าถ้าใครที่ทําขนมทอดบ่อยๆนะกลิ่นน้ำมันมันระเหยเข้าจมูกเข้าจมูกมันหายยากก็แล้วทีนี้ก็จะทีนี้ก็จะเอาใส่บาตใช่ไหมพอจะเอาใส่บาตปั๊บมันก็มันติดกันไปหมดอ่ะยกอันหนึ่งมันก็จะไข่ขึ้นอันหนึ่งอ่ะนะมันจะชีดยังไงก็ไม่ได้นะดึงขนมนะจนเหนื่อยว่าไม่อยากกินแล้ว จะถวายทั้งหมดนะนะโคศิยะเสร็จพระพุทธโมคคลานาก็บอกว่าพระภิสุงสง์ยังรออยู่แล้วท่านก็แสดงทำให้ฟังแสดงพุทธคุณให้ฟังเป็นต้นก็เลื่อมสายอยากจะถวายบอกว่า อ, อพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็รอฉันอยู่เขาบอกว่าจะไปถวายได้ยังไงพระองค์อยู่ที่ไหนบอกตอนนี้อยู่เมืองสาวัตถีตอนนั้นเข้าไปโปรที่เมืองไอเมืองราชจะครึกเส้นทาง45ห้าโยชน์เนี่ยนะก็หลายร้อยกิโลเสร็จแล้วเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวก็เตรียมน่นนะ ก็คือลงบ้านเสร็จก็เท่าถึงเชตวันพอดีเสร็จแล้ว ก, ก็ลงไปก็เอาอาหารเนี่ยไปถวายพระพิพุทธเจ้ามีพระภิกษุสง์เป็นต้นเนี่ยนะฉัน้นฉันแล้วขนมมันก็ยังเหลืออีกไอ้ขนมชิ้นน่นก้อนนั่นนันเหลือทำไงดีพวกเค้าบอกว่าให้ไปไปทิ้งไว้แค่เรว่าเกาะที่ที่ขนมเบื้องนะกลายเป็นหินไปไม่รู้ก้อนนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังเนี่ยว่า พระภิกษุที่เที่ยวไปในหมู่บ้านเนี่ยควรเที่ยวไปแบบมแมลงพึ่งเนี่ยนะแมลงผู้กับมแมลงพึ่งนี่อันเดียวกันมแมลงพึ่งเนี่ยเที่ยวไปในสวนดอกไม้ก็ไม่ได้ทําให้ดอกไม้นี่เสียเสียดอกไม้ใช่ไหมทำให้เสียสีเสียกลิ่นถือเอาแต่น้ําหวานของดอกไม้ไปฉันใดพระภิกษุที่เที่ยวไปในบ้านควรทําอย่างนั้นเนี่ยนะตอนหลังเศรษฐีคู่นี้ก็เป็นพระโสดาบันทั้งสามีและภรรยาเนี่ยนะ เรากิดถูกยุคถูกสมัยขี้เหนียวยังได้ดีเลยนะอนุ ญ, ญาตตัดสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้พระภิกษุนี่ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปพระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทําเหล่านี้มีสประการอันนี้กิจแปลว่ า, ห น, าหน้าที่หน้าที่ที่ต้องทำอ่ะนะควรนี่แปลว่าต้องเลยแหละต้องทำสามประการด้วยกันสประการเป็นชไนหนึ่ง พิสูจในธรรมวินัยนี้สํารวมด้วยปฏิโมคขสังวอนสมบูรณ์ด้วยอาจาระโฟจรมีปกติเห็นภายในเพียงเล็กน้อยอยู่สมาทานในศิก ข, ขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นกุศลการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คือศีลก็หมายความว่าให้อยู่ในจตุ ป, ปาริสุทธิ์ศีล น, นั่นเองปฏติโมคขังวอนี่นะ แล้วก็กายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลเลี้ยงชีวิตที่สุขมันยกตัวอย่างปาติโมฆะสังวรกับอาชีวะปาริสุทธิศีลก็เท่ากับแสดง อ, อินตรียสังวรศีลกับปัจจยสันนิสิตศีลก็คือให้พระภิสูจน์นี่ประกอบอยู่ด้วยจตุปาลิสุทธิศีลอันหนึ่งเป็นผู้มีความเพียรมีกําลังบากบันไม่ทอดทุระเพื่อละอกุศล <c oughs> เพื่อเจริญกุศลและทําให้แจ้งประจักษ์ในพระนิพพานเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นความเพียรนะให้เพียรเนี่ยนะเพียรเพื่อละอกุศลก็คือเพียรเจริญสัมมาประธานนั่นแหละเพียรละสมุทัยเพียรเจริญอริยมรรคเพียรปฏิบัติเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอันหนึ่ง น, นะกิจที่3ก็คือเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นปัญญาอันประเสริฐที่เจาะทาลายกิเลสปัญญาที่ให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นนะก็ศีล น, น, นะถ้าย่อลงมาก็คือศีลความเพียรและปัญญากิจที่ควรทำ น, นะกิจที่ควรทํำของพิสุท์ทั้งหลายสประการเหล่านี้แลเชื่อว่าอนุ ญ, ญาตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้พระพิษุปฏิบัติเช่นนี้ว่าเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้นะศีลความเพียรและปัญญาอนนะ จริงศีนก็คือศีลขันนะนะศีลขันหรืออธิศีลสิกขาความเพียรก็คืออธิจิตตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขามันถ้ากล่าวตามนี้3ประการก็คือสิกขาสามนั่นแหลเป็นกิจที่พระภิกษุควรทำํำอีกสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทํา10ประการเหล่านี้อันบัญปะชิตควรพิจารณาเนืองเนืองสิประการเป็นฉนบับรรปะชิตควรพิจารณาว่านะข้อความในอภินหปัจเวกคณะธรรมสูตร ข้อ48หน้า157อังคุตรนิกายทศกานิบาตองตรัดวาภิกษุทั้งหลายทำสิ0ประการนี้อันมันประชิดพึงพิจารณาเนืองๆ10ประการเป็นไ น, นคือบรรพชิตพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เราเป็นผู้ต่างจากเครือหัดเลนะต่างจากเครือหัดโดยอะไรบ้างโดย อันนะั้นมีเพศต่างจากเครื่อหัดคือมีรูปต่างๆกันมีเพศต่างกั น, กนหนึ่งโดยสรีระก็แตกต่างกันโดยบริขารข้าวของเครื่องใช้ก็ต่างกันสองอย่างโดยสรีระคืออะไรต้องปลงผมและโกนนวดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโดยสรีระเช่นทรงผมเป็นต้นก็ไม่เหมือนเขาแล้วก็แม้แต่การนุ่งนะสมัยก่อนเคยนุ่งอย่างไรตอนหลังก็ไม่นุ่งอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยบริโภคเช่นใดตอนหลังก็ไม่บริโภคเช่นนั้นเนี่ยนะ การนั่งการนอนเมื่อก่อนนอนอย่างใดตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะเป็นต้นพันเขาเรียกว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีเพศต่างจากเครือันแลว้วอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าบรรพชิตพึงพิจารณานเนืองๆว่าเกี่ยวการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นประปฏิพัธามีชีวิกาคือบรรพชิตพึงพิจารณาว่าความเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ของเราไม่ว่าจะเป็น เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจําต้องเกี่ยวเนื่องในผู้อื่นเพราะฉะนั้นอิริยาบถกอกสมควรการอาชีวะการเลี้ยงชีพก็ต้องบริสุทธิ์ทั้งเป็นการเคารพยำเกรงในบิณฑบาตเพราะฉะนั้นเป็นผู้บริโภคถ้าจะไม่พิจารณาปัจจัยสี่ก็ไม่สมควรนันก็ปัจเจกปัจจัยสี่ให้ดีๆเรียกว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นสรุปว่าปัจจัยสี่ของเราที่ใช้ทุกชนิดเป็นของผู้อื่นหมดเลย ข้อที่3บอกว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าอากัปกิริยาอย่างอื่นอันเราควรทำมีอยู่อัญโยเมอากัปโปกรณีโยก็คือบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าอากัปกิริยาการเดินอันใดของเหล่าครือขันครือขันนี้ทำยังไงเดินก็เดินแบบไม่สํารวมไม่ระวังเดินยืดอกคอตั้งอย่างสง่างามเป็นต้น นะก็แบบที่ครือขัดเดินเป็นต้นนะนะอากับปิกิริยาของนักบวชไม่เป็นอย่างนั้นเราพึงเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบมองชั่วเอกย่างก้าวกาหนดแต่น้อยคือไม่ไม่ไม่ใช่เดนินสักก้าวยาวเนี่ยนะก็กิริยาการเดินเหมือนเกวียนบรรทุกน้ำมันเพรา ะ, ะบรรปชิตพิจารณาอยู่อย่างนี้ ก, กิริยาทั้งหลายก็ย่อมสมควรแก่ศีกขาสาม นนะการยืนเดินนั่งนอนอากัปกิริยาสมควรแก่อธิศีอธิจิตและอธิปัญญาพันเราะว่าอากัาากปกิริยาอย่างอื่นที่เราควรทำมีอยู่ข้อที่4บรรพชิตพึงพิจรนารณาเนืเองๆว่าตัวเราเองย่อมตีเตรียมตัวเองโดยศีนได้หรือไม่เนี่ยนะหมายความว่าเอาศีนที่ศึกษามาทั้งหมดมาสำรวจตรวจตราตัวเองได้ไหมมีข้อใดผิดพลาดทางกายวาจาใจหรือเปล่า เรีว่าตัวเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่เพื่อให้มีฮิริหิริพิจารณาถึงโทษภายในเนี่ยอ่าภายในอ่ะนะจะได้เคารพตัวเองนะนะบันพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพิจารณาแล้วติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่อนุวิจจวินยูสับรามจารีก็คือเราพรหมจะสะพรมจารี ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาความรอบรู้ในพระธรรมวินยัยท่านพิจารณาท่านเหล่านั้นใคร่ครวญแล้วท่านเตือนเราได้ไหมเพราะถ้าพิจารณาแบบนี้บ่อยๆจะได้มีโอตตปะเกรงกลัวจากบาปเพราะว่าโอตตปะเนี่ยนะเกรงทำให้เคารพผู้อื่นทาให้เคารพผู้อื่นคนอื่นก็จะได้แนะนำได้เราก็จะได้สำรวมอยู่ในทวารสาข้อต่อไปข้อหใช่ ข้อหบอกว่าบรรปชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปนะนาณาพาโววินาภาโวเนี่ยนะคือเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือมาเกิด ม, มาเนี่ยนะเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปแล้วเราจะต้องเป็นอย่างอื่นแปลว่ า, าวเกิดตายแน่นะต้องคิดไว้เสมอเดี๋ยวหน่อยก็ตายแล้วเนี่ยนะอีกหน่อยก็ตายแล้วเรียกว่านานาภาวโววินาภาโวเนี่ยนะ เดี๋ยวก็ต้องพลาดท่กจากของรักของชอบใจทั้งหมดแลวมันจะชอบอะไรชอบปานใดแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวก็ตายแล้ว น, นะบัณเราไม่ได้พ้นจากความตายอะไรหรอก น, นนะก็จะได้ไม่ประมาทในกายวาจาใจเจริญมรณา น, านุสติระลึกถึงความตายให้ดีแล้วก็บรรพ์ชิตควรพิจารณาข้อต่อไปข้อที่6ว่าอ่าระกร ม, มัสโกมหิอ่ กรรมสกโกมิกรร ม, มทายาโทกรร ม, มโยนิกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิสารโนยังกรร ม, มังคฤษสามิกัลยานังวาปาตักังวาตะสะทายาโทภวิสามิเนี่ยนะเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศาัยเราทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้รับมรดกกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะ มันสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือสมบัติของเรานะกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมทางกายวาจาและใจนี่คือสมบัติของเราเราทำอะไรเนี่ยพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านั้นไหมเพราะเราไห น, นเดี๋ยวเราก็ตายอยู่แล้วเมื่อจะตายอยู่แล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดพอใจไหมชาติหน้าเนี่ยนะาระลึกชาติได้ภูมิใจไหมนะภูมิใจไหมที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้โอ้ชาติที่แล้วนะเราได้ดีจริงแล้ว นั่นก็คิดดูนะถ้าไปอยู่ชาติหน้าแล้วระลึกถึงชาตินี้แล้วภูมิใจไหม ย, ยินดีรับวิบากของชาตินี้ทุกชนิดไหม น, นะกรรมที่เราทําเอาไว้ในชาตินี้เนี่ยนะดีใจไหมถ้ากรรมที่ทําไว้ทั้งหมดไปให้ผลในชาติหน้าระดมไปหมดเลยเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องให้พิจารณาถึงกรรมที่เคยกระทาเอาไว้ส่วนข้อที่7 น, นะนะพระองค์ให้พิจารณาว่าบัปรปชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทํรรราอะไรอยู่ นะก็คือกะทำภูตตะเมรัตินที่วาวิวีติป ต, ตันติเนี่ยนะวันคืนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะจากอะไรนะวันคืนจากเช้าสายบ่ายค่ำหัวค่าปฐมยามมัชิมยามปชิมยามจากจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีไปหลายปีหลาย10ปีเนี่ยนะในที่สุดก็บายหน้าไปหาความตาย วันแต่ละวันแต่ละวันทำอะไรบ้างนะว่าสำรวจถามตัวเองบ่อยๆนะวันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยทำกุศลอะไรอยู่วันคืนก็ผ่านไปเดี๋ยวจากกลางวันก็จะเคลื่อนไปเป็นกลางคืนกลางวันนี้ทำอะไรบ้างกลางคืน่ะคืนนี้จะทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างระยะเรียกว่าวันคืนผ่านไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจริญกุศลทำกรรมด้วยโยนิโสอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ทา ท่านบอกว่าวันคืนล่วงไปเปลี่ยนไปเราเป็นอย่างไรเรากําลังคําวัดปฏิบัติอยู่หรือหรือว่าไม่ทําเราท่องบนพระพุทธพจน์ท่องจําพระพุทธพจน์ท่องจําคําสอนหรือว่าไม่ท่องจํากําลังทํากรรมในโยนิโสมนัสการมณสิกา ร, การอริยสัจคิดอริยสัจรูหร้หรือว่าไม่คิดบรนประชิดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจะได้เจริญเพิ่มพูนความไม่ประมาทอีกข้อต่อไปข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ ข้อที่8ข้อที่8ดบัปรปะชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราย่อมยินดีในสุญยาคารหรือไม่สุญญาคาเรอภิรมามิเนี่ยนะเราแต่ผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถในโอกาสอันสงัดยังยินดีหรือไม่ยินดีไหมที่จะเดินคนเดียวนัง่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นต้นเนี่ยนะยินดีอยู่ในกายวิเวกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะพอใจที่จะอยู่อย่างเงียบเงียบยินดีในที่หลีกเล้นอยู่ไหมถามตัวเองบ่อยๆว่าชอบที่สงบสงัดจริงหรือเป็นต้น ส่วนข้อสุดท้ายบรรปชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่ายาณทัศน์วิเศษอันสา ม, มารถกําจัดกิเลสเป็นอริยะคืออุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุมีอยู่หรือที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์ถามแล้วจักเป็นผู้ไม่เก้อเขินในการภายหลังกระถามว่าสิ่งอื่นที่มันเนื้อจากกุศลกรรมบทมีหรือไม่บวดมาแล้วได้ฌานไม่ได้อภิน ญ, ญาไม่มีคุณธรรมอะไรบ้างก่อนตายเนี่ยนะก่อนตาย ลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็นมาถามอาจารย์ครับท่านบวชมาตั้งนานบวชมาเกิน10ปีบวชมา2030ปีมาแล้วได้อะไรบ้างครับเนี่ยนะที่ท่านบวชเนี่ยนะนบวชได้อะไรมั่นใจไหมได้ฌานปานัทธรรมฌานทุติยฌานได้ไหมได้โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นต้นไหมเขาถามนะเขาถามจริงๆรนะิงก่อนตายท่านได้อะไรบ้างมานไปถามก่อนตายเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรก่อนตายแล้วตอบว่ายัางไงก็คือสรุปว่าชีวิตของท่านที่ท่านได้มาบวชนี่ได้อะไรบ้างท่านนี้ของโยมทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ก่อนจะตายหลานจะมาถามยายยที่ศึกษาธรรมะมันนอนขณะนี้ยายได้อะไรบ้างเริ่ต้นนี่ยน่ยตอบได้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเขบอกว่าสูตรเหล่านี้เรียกว่าอนุ ญ, ญาตะสูตรคือพระพุทธเจ้าอนุญาตคือสั่งให้พิจารณาเนืองเนืองเรียกว่าอภินหปัจจเวคคณะธรรมสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พิจารณาเล่ม38อีกสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทําเหล่านี้มีสมประการสมประการเป็นชไนะสิ่งที่ควรทําเลยนะต้องสิ่งที่ควรทําตรงนี้เนี่ยใช้คําว่าควรแต่แปลว่าต้องทําสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งกายสุจเรตต้องทําวจีสุจริตต้องทํามโนสุจเรตก็ต้องทําอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องทำแล้วไม่ยื้อก็เดินไม่เดินก็หนังไม่นังก็นอนขยับตัวขยับไปขยับมาเนี่ยขยับยังไงให้มันเป็นสุจเรตเนะไม่เปื้อนบาป ยังไงต้องขยับวาจายอยู่แล้วต้องพูดใช่ไหมวันหนึ่งต้องหลายครั้งด้วยกันแล้วที่พูดพูดอะไรพูดให้เป็นสุจริตหรือพูดให้เป็นทุจริตแล้วคิดนะ่ะอยู่โดยที่ไม่คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นกิจที่ควรทําก็ ค, คือคิดให้เป็นสุจริตมันทำทำก็ทําให้มันสุจริตทําให้มันดีพูดก็พูดให้มันดีคิดก็คิดให้มันดีก็คืออยู่ในกุศลกรรมมบทซึ่งเป็นบาดเป็นรากฐาแนแห่ง สมถะและวิปัสนาเป็นต้นส่วนอีกสูตรหนึ่งเรียกว่าปฏิคิเตสูตรสูตรที่ปฏิเสธบอกห้ามไม่เอาเรียกว่าสูตรห้ามอย่างเดียวบอกไม่เอาอย่างเช่นสูตรปฏิเสธปฏิเสธเทวดาพระพุทธเจ้าปฏิเสธเทวดาที่เทวดาเข้ามาพูดว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีือแปลว่าสุดที่รักเนี่ยนะไม่มีอะไรเท่ากับลูกรก้องอะไรเงี้ยทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มีทำไมนะก็ถือว่าโคนี่เป็นทรัพย์มาก แสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีมหาสมุทรจัดว่าเป็นแหล่งน้ําอันยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีจะว่ารักลูกกับรักตัวมากที่สุดนั่นแหละจะว่ารักลูกมากกับรักตัวมากที่สุดนั่นแหละไม่ได้รักลูกมากเท่ากับตัวรกักเขบอกว่าทรัพย์เสมอด้วยข้าเปลือกไม่มีถ้าเทียบโคกับข้าเปลือกมีโคเพื่อจะได้ไถไมันจะได้มีข้าวข้าวดีกว่าเหมือนกัน แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิอาอะไรนะนัตถิอาภาสมาปัญญาเนี่ยนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีความปัญญานี่มันสว่างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแสงสว่างดวงอาทิตย์มันก็ส่องได้แต่เฉพาะกลางวันแต่ปัญญานี่ส่องได้ทั้งกลางวันส่องได้ทั้งกลางคืนส่องทั้งอดีตส่องทั้งอนาคตปัญญานี่ส่องได้ทั้งหมดได้นีส่องทั้งบาปบุญคุณโทษส่องเหตุส่องประโยชน์ส่องได้ทุกอย่างเหมือนแสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มีฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมที่สุดนนะก็แหล่งน้ำที่ยอดเยี่ยมอะดีกว่าทะเลคือน้ำฝนเนี่ยนะแสดงว่าคำที่เทวดาพูดพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดเลยเขาบอกว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มี เขาบอกว่ารัพย์เสมอด้วยโคไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่ารั พ, รพย์เสมอด้วยเข้าวเปลือกไม่มีเขาบอกว่าแสงสว่างแห่ง ด, ดวงแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเขาบอกว่าสมุดจัดเป็นแหล่งน้ําอันยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําฝนเนี่ยนะจัดเป็นแหล่งน้ําอันยอดเยี่ยมที่สุดเรียกว่าสูตรที่ค้านเนี่ยนะค้านความเห็นของเทวดาเทวดาบางพวกเขามีความเหน็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้อห้าม หรืออีกหลายแห่งเนี่ยนะอีกหลายแห่งเช่นลัที่ทั้งหลายแหลนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเพื่อปฏิเสธลับที่เหล่านั้นเหล่านั้นบางทีพระองค์ก็ยกมาว่ากลุ่มนั้นลับที่แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นผมก็ปฏิเสธอันนี้เรียกว่าปฏิกิริตาสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่าที่เป็นปฏิกิิยาสูตรก็คือกิจที่ไม่ควรทำสามประการสามประการเป็นไฉกายทุจริเตวจีทุจริเตมโนทูจริตเป็นกิจที่ไม่ควรทํา สามประการเหล่านี้แหละชื่อว่าปฏิคิตสูตรเนี่ยนะห้ามเป็นสูตรที่กล่าวห้ามไม่อนุญาตไม่สนับสนุนไม่ ส, งส่งเสริมไม่ยกย่องปฏิเสธโดยส่วนเดียวเรียกว่าปฏิคิตตสูตรพระพุทธเจ้าปฏิเสธความชั่วาาทางกายวาจาใจเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอีกสูตรหนึ่งเรียกว่าอนุญญาตปฏิคิตหมายว่าในสูตรเดียวกันเนี่ยนะมีเนื้อหาทั้งห้ามและอนุญาตานะทั้งห้ามและอนุญาตเช่นอะไรบ้าง เทวดาก็บอกว่ามูชนเป็นอันมากในโลกนี้ยังจะกลัวอะไรอีกเล่าเพราะพระองค์ตรัสบอกทางไว้ด้วยเหตุหลากหลายข้าแต่พระโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามพระองค์ถึงเหตุนั้นบุคคลตั้งอยู่ในอะไรจึงจะไม่กลัวปะโลกนะตั้งอยู่ในอะไรดีชาติหน้าจะได้ไม่กลัวว่างั้นนะปะโลกก็คือโลกอื่นนะนะตั้งอยู่ในอะไรดีจะไม่ได้กลัวชาติหน้า พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าบุคคลตั้งวาจาใจไว้โดยชอบไม่ทําบาปทางกายวาจาอยู่ครองเรือนที่มีข้าวน้ํามากตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการคือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้ถ้อยคําที่เขาขอบุคคลตั้งอยู่ในธรรมเหล่านี้แหละจึงไม่กลัวประโลกไม่ต้องกลัวชาติหน้าถ้ามีศรัทธาอ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อรู้คําของผู้ขอ ที่บอกว่าอนอุนนะให้ตั้งกายวาจาใจเอาไว้ให้ถูกต้องอันนี้เป็นอนุญาตอย่าไปทำความชั่วด้วยกายวาจาใจอันนี้เป็นการห้ามอนุญาตให้ทำความดีทางกายวาจาใจห้ามไม่ให้ทำความชั่วทางกายวาจาใจแล้วก็อนุญาตว่าสิ่งที่ต้องทำคือถ้าอยู่ครองเรือนมีข้าวมีน้ำอยู่แล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการคือให้เป็นผู้มีศรัทธา อ, อนโยนมุทูเนี่ยน ะ, ะให้อ่อนโยน แล้วก็มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือวิภาคอ่ะนะมีการจําแนกแล้วก็รู้ถ้อยคําของผู้ขอว่าผู้ขอเขาขออะไรเป็นต้นเนี่ยเขาประสงค์อะไรสามารถจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเป็นต้นถ้ามีคุณธรรมไม่ทําความชั่วกายวาจาใจทําความดีอยู่ในกายวาจาใจแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธากรรมศกตาศรัทธาเป็นต้นเป็นผู้ที่มีอ่อนโยนอยู่ด้วยเมตตามีการจําแนกแจกแจงโภคะก็ปะแปลว่าทานศีลและภาวนาอ่ะนะ อย่าทุศีลตั้งอยู่ในฐานศีลและภาวนานั่นเองอันนี้เรียกว่าอนุ ญ, ญาตะปฏิคิตสูตรทั้งห้ามและอนุญาตหมายว่าห้ามอย่าทําชั่วอนุญาตให้ทําคุณงามความดีเจริญบุญเจริญกุศลในโอวาตปาติโมกเนี่ยนะก็เป็นทั้งอนุ ญ, ญาตะและปฏิคิตะคือเป็นทั้งห้ามและอนุญาตเหมือนกันเช่นสัพปะปาปัสสะการณังกุศล ส, สูปะสัมปัทาเป็นต้น การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การอบรมจิตของตนให้สะอาดหมดจดสประการนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายวันสัพพปาปัสสะการนังเนี่ยนะการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่เป็นปฏิคิทธะเป็นการห้ามอย่าทำเลยเนี่ยนะอย่าทําเลยเพระทำแล้วใครเดือดร้อนกุศลสระอุปสัำปทาเนี่ยนะก็คือทํากุศลให้สมบูรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตเนี่ยนะอนุญาตอนุญาตให้ทํากุศลให้สมบูรณ์นะเจริญกุศลให้ เพียบพร้อมบริบูรณ์และเต็มที่อีกสูตรหนึ่งเห็นชัดเลยที่ยกมาจากสักกะปัญหาสูตรทีขณิกายนี่นะว่าคือคือเทวดาเนี่ยนะท้าวสักกะไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตอบว่าเรากล่าวกายสมาจารความประพฤติ ท, ทางกายไว้สองอย่างคือกายสม า, ารย์ที่ควรเสพและไม่ควรเสพ วจีสมมาจาร์เราก็กล่าวไว้2อย่างคือวจีสมาจาร์ที่ควรเสพกับไม่ควรเสพเรากล่าวมโนสมมาจาร์ไว้2อย่างคือควรเสพและไม่ควรเสพเรากล่าวการแสวงหาเอาไว้2อย่างคือสิ่งที่ควรแสวงหาและก็สิ่งที่ไม่ควรแสวงหาเนี่ยนะคือพูดถึงว่ากายนี่ก็แบ่งเป็น2การกระทําทางกายแบ่งเป็น2องนะคือควรทําและไม่ควรทําคําพูดก็แบ่งออกเป็น2คือควรพูดกับไม่ควรพูด ความคิดก็แบ่งออกเป็นสองคือควรคิดกับไม่ควรคิดการแสวงหาก็เหมือนกันแบ่งออกเป็นสองอย่างควรแสวงกับควรแสวงหากับไม่ควรแสวงหาถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดพระองค์ตอบว่าจอมเทพเรากล่าวการสมกายยสมาจารความประพฤติทางกายไว้สองอย่างข้อนั้นอาศัยอะไรคือหมายความว่าอาศัยเหตุผลอะไรจึงแสดงไว้แบ่งออกเป็นสองอย่างแบบว่าบุคคลเสพกายยสมาจารเช่นใดอกุศลและทำเจริญขึ้นกุศลเสื่อม กายสมาจารนั้นไม่ควรทําไม่ควรเสพหมายเขาว่าทางกายนะความประพฤติใดทางกายถ้ า, าทําออกาามาแล้วกุศลเสื่อมอกุศลเจริญเอาโตเอาโตเอาเนี่ยนะอกุศลเจริญขึ้นถ้าอย่างนี้ไม่ควรแต่ถ้าทํากายยศ ม, มาจานการกระทําเหล่าใดทําแล้วกุศลเจริญขึ้นอกุศลเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงกุศลเพิ่มพูนอย่างเดียวอันนี้ควรทําสรุปว่าความประพฤติทางกายควรทํำยังไงบอกว่าถ้าทําอะไรแล้วกุศลเจริญทําไปเลย ถ้าทําอะไรแล้วกุศลเสื่อมอย่าทําทําอะไรไปแล้วอากุศลเจริญอย่าทําทําไปแล้วกุศลเสื่อมก็อย่าทําก็แบ่งออกเป็นว่าถ้าสรุปว่าสาระก็คือกุศลควรเจริญใช่ไหมอากุศลควรละถ้าทําไปแล้วกุศลเจริญทําไปเลยถ้าทําไปแล้วอากุศลเจริญอย่าทําคําพูดก็เหมือนกันคําใดที่เราพูดผู้เสร็จแล้วกุศลเจริญพูดไปถ้าพูดแล้วกุศลเสื่อมอย่าพูดเลย พูดคำใดแล้วอกุศลมันลดลงพูดไปเถอะแต่พูดคําใดแล้วอกุศลตัวเอาโตเอาอย่าพูดพันสรุปว่าสาระก็คือพูดคําใดแล้วกุศลเจริญพูดเถอะแต่คําใดพูดแล้วกุศลไม่เจริญอย่าพูดความคิดก็เหมือนกันคิดอะไรแล้วกุศลเจริญคิดไปเถอะแต่ถ้าคิดอะไรแล้วกุศลไม่เจริญอย่าคิดอันนี้หลักการก็มีอยู่ง่ายๆกันนี้แหละบอกว่าทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรถ้าทําไปแล้วกุศลเจริญ ทำไปเถอะพูดไปเถอะคิดไปเถอะถ้าทำไปแล้วกุศลเสื่อมพูดไปแล้วกุศลเสื่อมคิดไปแล้วกุศลเสื่อมอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำเลยนการแสวงหาก็ในยะเดียวกันบอกว่าการแสวงหาใดๆถ้าแสวงหาแล้วกุศลเจริญแสวงหาไปเถอะแสวงหาสิ่งใดแล้วกุศลเสื่อมอย่าแสวงหาสรุปว่าทำอะไรก็ได้เอาหลักสองประการทาแล้วกุศลเจริญไหม ถ้าเป็นสูตรอื่นอีกด้วยนะเรียกว่าวันปัทสูตรสูตรที่กล่าวถึงการอยู่ป่าว่าไปอยู่ป่าไหนแล้วกุศลเจริญอยู่ไปเถอะถ้าอยู่แล้วกุศลไม่เจริญอย่าไปอยู่มันนะไปอยู่กับบุคคลใดถ้ากุศลเจริญอยู่ต่อไปถ้ากุศลไม่เจริญห่างไปเถอะนะบางสูตรก็บอกว่าถ้าอยู่กับบุคคลใดแล้วกุศลไม่เจริญรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนอย่าไปยุ่งด้วยเลยเขาบอกงั้นบางสูตรเนี่ยกล่าวว่าอย่างนั้นแต่คาถาท่านบอกว่าเออถ้าไปก็ ถ้ากลางคืนมันอันตรายก็รอกลางวันก่อนก็ได้ค่อยไปเขาว่าไงมีมันสูตรนะนะก็ให้ดึงเวลาอีกสักสักก็เลนะห6ชั่วโมงก็ยังดีเขาว่าไคือก็ต้องทบทวนอยู่เสมอเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ถ้ากุศลเจริญก็แสดงว่าทําดีทําถูกต้องแล้วแต่ถ้าทําแล้วกุศลที่เคยมีก็เสืออเส่อมลองเสื่อมลงอ่กุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดเจริญเติบโตขึ้นหางเถอะละเถอะ อะไรก็ช่างอะไม่ต้องเรียกว่าอะไรนะสรุปว่าชีวิตถ้าคิดไปแล้วเนี่ยเราก็ปกติเราก็มาคนเดียวแล้วก็จะไปคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยนะจะไปสุขคติจะไปทุกขคติเนี่ยใครจะไปคอยกรวดน้ําให้เราอยู่เสมอใช่ไหมมันเราก็ไปตามทางของเราเมื่อเราจะไปตามทางของเราแล้วบุญหรือบาปเราจะค่าอะไรออกไปอะนะเพราะอย่างว่าชีวิตของทุกคนเกิดสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอีกหน่อยก็ตายกันหมดแล้วเมื่อตายกันแล้วเอาอะไรไปล่ะอะไรเป็นสมบัติต่ตอไปใน ภายภาคหน้าเราจะเอาสมบัติหรือจะเอาวิบัติต่อไปในภายภาคหน้าเกิดมาเพื่อสร้างศัตรูให้เกิดตัวเองหรือสร้างมิตรให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตบางคนมีเหตุผลจนต้องทําบาปให้แก่ตัวเองเนี่ยนะประทับตรา บ, บาปให้ตัวเองเต็มไปหมดเลยแล้วใครเป็นคนรับข้างหน้าล่ะก็นะต้องมีเหตุผลจนไม่ต้องทําบาปมันไม่ดีที่สุดมีเหตุผลจนต้องทําบุญเนี่ยมันเก่งที่สุดแล้ว อธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องละบาปหนึ่งสอาี่ห้าโ้จารณาได้ยี่สบสาสิชั่วโมงแหะเหตุผลอธิบายได้ว่าทําไมจะต้องทําบุญอธิบายได้หมดเสร็จแล้วอธิบายได้ว่าทําไมจึงไม่ทําบาปมีข้อมีเหตุผลนางต่อไป น, นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเหตุผลจะต้องทําบุญอธิบายได้หมดเลยมีเหตุผลจะต้องละบาปและจะต้องทําบุญถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทําตามนี้ก็สาวกของพญามารนะนะ ถ้าเราปฏิบัติตามนี้ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญแต่อย่าลืมว่าการทำบุญก็เพื่อละบาปการละบาปก็เพื่อจะบำเพ็ญบุญเนี่ยนะการละบุญเพื่อบำเพ็ญการละบาปเพื่อบาเพ็ญบุญในที่สุดํำสอนจริงๆก็คือสอนให้ละบาปแล้วก็ลอยบุญเรียกว่าละบาปลอยบุญหรือละบุญลอยบาปนั่นแหละเพราะนั่นก็เรียกว่าเป็น คือการทําบุญเนี่ยนะการทําบุญเนี่ ย, ยก็เหมือนกับการสร้างเรือสร้างแพเพื่อจะข้ามฟากกัะนะข้ามฟากไปมันถ้าไม่มีเรือไม่มีแพจะข้ามฟากจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งได้อย่างไรถ้าเราไม่เจริญด้วยบุญกุศลคุณงามความดีออกจากวัตฏะไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีนิยานิกระทธรมนิยานิกระทธรมคือธรรมที่นําออกจากวัตฏะนั้นคุณธรรมที่จะนําออกจากวัตฏะเหมือนอย่างว่าสถานที่นี้แห้งแล้งกันดานอดอยากเหลือเกินอยากจะหนีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะข้ามไปยังไงอ่ะ เพราะในนั้นนะ่ะนะเต็มไปด้วยฉลามร้ายเต็มไปด้วยวังน้นําวนเต็มไปด้วยคลื่นเต็มไปด้วยพายอันตรายทั้งหมดจะต้องมีเรือที่มันเรียกว่าข้ามฟากไปได้ฉันใดเราทั้งหลายบอกว่าเห็นโทษของวัดตะเห็นโทษของสังสารวัตก็เหมือนกันเรามีกุศลมีคุณงามความดีอะไรบ้างพอที่จะออกจากทุกโทษและพิษภัยเหล่านั้นอันนี้แหละ เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแบบนั้นแล้วนะสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดทุกประการตรวจสอบได้เลยว่ากุศลเจริญขึ้นไหมนําออกจากวตะได้ไหมถ้านําออกจากวตะได้นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเจริญไปเถอะทาไปเถอะแต่ถ้าทําไปแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงบุญนี่เสื่อมลงเสื่อมลงหรือแต่บาปล้วนๆถ้าอย่างงี้เนี่ย น, นะละเถอะเนี่ยนะอย่าไปอะไรอาวอนอะไรเลยเนี่ยนะ เคยมีโยมคนหนึ่งก็มาปรึกษาบอกอว่าคนนั้นเนี่เยงงเลวอย่างนั้นเลวอย่า ง, งนี้ไม่ดีอย่างนั้งงนไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเนี้ยเขาบ่นแล้วเกินพอ ม, มาก็บอกว่ า, าแล้วทนอยู่กับเขาไปทําไมาพระพุทเจ้าบอกให้รูกกลางวันให้ไปกลางวันลู้กลางคืนให้ไปกลางคืนแล้วทนไปทําอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอบทสรุปนะเขาก็ไม่ได้เลวอะไรขนาดนั้นหรอกนั่น <c oughs> นะตรงนี้หละช่วยอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> ขอบาปต่อไปก็แล้วกันงนี้น ก, ก็ทางไผ่ก็ทางไผ่ละ ส่วนทวะสูตรสูตรว่าด้วยการยกย่องชมเชยสรรเสริญก็คงรอเป็นตอนบ่ายกันแล้วกันเนาะ